ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเกียริครานผานตนวรุณชาดกโดยสมณะราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่22กันยายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราลองมาฟังชาดกสักเรื่องหนึง่งวรรณชาดกมาตั้งชื่อภาษาไทยเองว่าเกียรติคร้านผานตนเรื่องก็เริ่มที่ในแคว้นโกศลปรากฏกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีส0สบคนซึ่งเป็นสหายกัน มีใจเคารพและศรัท ธ, ธายิ่งในพระพุทธศาสนาพวกเขาพากันห่วงกังวลว่านอกจากพวกเราได้บวชเท่านั้นจึงจะรู้ได้กว้างขวางรู้ได้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้คือเนี่ยมีสหายกันส0สคนนะนะปรากฏว่าเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาว่าถ้าอยากจะรู้ธรร ม, มะได้ได้ลึก พูยง่ายหรือว่าได้กว้างไกลหรือว่าได้ชัดเจนเนี่ยมีอยู่ทางเดียวแล้วนะคือต้องออกบวชทำไมอะ่ะเพราะว่าออกบวชเนี่ยก็ได้ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆหรือว่าได้เข้าเฝ้าได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่บวชแล้วเนี่ยจะได้รู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยจะมีได้มากมันก็เลยเนี่ยทั้ง30คนนี่เกิดความคิดอย่างนี้ ทั้งหมดจึงพากันไปสู่วิหารเชตวันนำสิ่งของไปสักการะพระศาสดาแล้วฟังธรรมครั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมจบพวกเขาก็เข้าเฝ้าถวายบังคมทูลขอบรรันระชานะก็คือขอบวชนั่นเองพระศาสดาก็ทรงประทานบันประชาแก่พวกเขานะก็คือให้บวชทั้งหมดเลยเมื่อได้เป็นภิกษุ บวชเรียนอยู่กับอุปชาและอาจารย์ถึงหพรรษาแล้วนะอย่างรวดเร็ว <c oughs> บวชปุ๊บก็พยายามถือสีปฏิบัติธรรมไปจนถึงห้าพันษาเข้าใจข้อธรรมะต่างๆรู้สิ่งที่เป็นกัปปิยะไม่รู้เข้าใจคําว่ากัปปิยะไหมเคยได้ยินบ้างไหมว่าอันนี้เป็นกัปปิยะอันนี้เป็นอกัปปิยะมันเป็นภาษาแบบภาษาบาลีเนี่ย พระจะใช้กั น, น อ, าาอ๋อเ <c oughs> ดาว่าเป็นอาหารนั่นแหละไม่ถูกคือกลับปิยะเคยเคยจะยินมามที่ตอนนั้นแบบว่าผลไม้หรืออะไรต่ออะไรที่บางทีเราให้ทำเครื่องหมายทำจิกเอาไว้ต่ออะไรให้เป็นอะไรอะ่ะเป็นรอยบ้างหรือว่าพาออกบ้างเอาเม็ดออกบ้างอะไรเงีย้ยนะ แต่แต่อันนี้กว้างกว่า น, นั้นอันนี้ไม่ได้หมายความแค่อาหารการกินเนี่ยแต่ข้าวของทุกอย่างอะ่ะข้าวของทุกอย่างเลยถ้าควรแก่ภิกษุที่จะใช้สอยหรือว่าหรือว่าเอามาอะไรอะ่ะอย่างเช่นกีวร อ, อ่าสบงหรือว่าอัตตาบริขารอะไรต่างๆที่ควรจะใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเป็นกัปปิยะคือของที่ ควรจะใช้พิกูุเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าไม่สมควรใช้หรือว่าไม่สมควรจะดื่มกินไอ้พวกนี้นะก็เรียกว่าอากับปียะถ้าถ้าถ้าเป็น เ, เป็นพืชผักผลไม้ก็จะพูดสั้นๆก็จะใช้คำว่ากับปะ <c oughs> นะว่ากับปะหรือยังที่พวกที่เคร่งเคร่งบางทีอะไรนะ กินของที่อะไรเกิดจากเน่าเกิดจากลากเกิดจากหัวเกิดจากอะไรอะ่ะจำได้ไหมสมัยก่อนบางทีจะพูดกันอยู่บ่อยๆบอกโอ้โหต้องพาบางกอนต้องอะไรนะต้องปักบุง้งเงี้ยต้องพาซี่อกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไ ป, นไปโตมันไปเกิดได้อีกหรือว่าต้องไปลวกมาต้องไปอะไรมาที่มันไม่สามารถที่จะไปเพาะปลูกถเเ้เป็นเม็ดเป็นอะไรพวกเนี้ย มันไม่สามารถที่จะไปปลูกแปละไรได้แล้วพราภิกษุท่านถึงจะฉันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือถ้าอะไรที่มันยังเกิดจากเงาจากหัวจากมเมล็ดอะไรที่สามารถไปเติบโตได้เนี่ยอ่ามันก็จะมีวินัยเหมือนกันที่ที่พภิกษุที่เคร่งเคร่งก็จะไม่กินของพวกนี้นะอ่ะอันนี้ก็ ปรากฏว่าบวชมาห้พรรษานะเข้าใจข้อธรรมะ ต, ต่างๆแล้วก็รู้ว่าของอะไรควรของอะไรไม่ควรแก่ภิกษุพอรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วก็พ้นห้พรรษาแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าพ้นไม่ต้องถือนิสัยก็ได้คือบวชมาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี5้นี่นะพูดง่ายๆจนถึง5้พรรษาเขาเรียกว่าต้องถือนิสัยคือต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ ต้องอยู่ในสายหูสายตาให้ครูบ า, าจารย์เนี่ยคอยแนะนําคอยสั่งสอนหรือว่าคอยดูแลต่างๆจนกระทั่งถ้าครูบ า, าจารย์ เ, ยเห็นว่าบวชมาได้ห้าพรรษาแล้วรู้เรื่องรู้ราวดีพอละรู้ศีลลุยนายต่างๆได้มากพอละนะแล้วท่านถือว่าช่วยตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้นะคงจะไม่ไปผิดพลาดไม่ไปอะไรกันนักกันหนาอาจารย์นี่ก็จะ ปล่อยให้พูดง่ายว่าสามารถที่จะจาริกสามารถที่จะไปไหนต่อไหนอะ ไ, อะไรก็ได้อนนี้พอพ้นหา้าภาษาใช่ไหมจึงกราบลาอุปชาและอาจารย์เพื่อไปบําเพ็ญสรรมณธรรมเพิ่มขึ้นบําเพ็ญสรรมณธรรมสรรมณะแปลว่าผู้สงบระงับจากกิเลสและพระแปลว่าอะไรพระวระเนี่ยพระ แปลว่าอะไรสาบารีแปลว่าประเสริฐพระนี่แปลว่าผู้ประเสริฐนะวันระหว่างพระกับส ม, มณะเนี่ยอะไรน่าจะดีกว่ากันส ม, มณะน่าจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะเป็นผู้สงบระงับกิเลสอะกับแค่เป็นผู้ประเสริฐเฉยๆอย่างใช่ไหมอ่างั้นเป็นส ม, มณะนี่ดีกว่านะจะบอกให้รู้ไว้ก่อน ตอนนี้ก็บําเพ็ญสมณะธรรมใช่ไหมก็หมายถึงว่าธรรมะของผู้ที่จะฝึกการเป็นผู้สงบระงับจากกิเลสใช่ไหมตอนนี้ก็ลาอาจารย์แล้วจะไปหาสถานที่หาวิธีการที่จะบําเพ็ญให้ตัวเองเนี่ยกิเลสลดลงแล้วก็พากันไปอภรลาอาจารย์เสร็จแล้วก็พากันไปเข้าฟฝ้าพระศ า, าสดากราบทูลขอข้อปฏิบัติกรรมฐาน จากภาษาสดาพวกเราเข้าใจคำว่ากรรมฐานขนาดไหนคือไปขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วกันนี้พวกทั้งสามสิบคนเนี่ยเข้าใจคำว่ากรรมฐานขนาดไหนถูกแล้วข้อปฏิบัติเพื่อที่จะลดละกิเลสแล้วถูก <c oughs> แต่อย่างเช่นบอกว่าเอา้าเอาวิธีนี้วิธีนี้ไปทำเออเหมาะกับกรรมฐานเป็นกรรมฐานของคุณ คือการกระทาที่เราเอาไปใช้ลดกิเลสที่เหมาะกับฐานะของเรานะเอาเราเรียกว่าเนียเป็นกรรมฐานเอาไปใช้พิจารณาเพื่อที่จะลดกิเลสเราแต่ต้องเหมาะตามฐานะของคนนั้นเพราะกรรมฐานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรือจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าคนนั้นมีอินทรีย์พระขนาดไหนคือคือมีขีดความสามารถของตัวเองขนาดไหนเพราะนั้น เอาอย่าง30สิบคนเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระพุทเจ้าแล้วผู้เจ้าก็บอกกรรมฐานให้ไปใช่ไหมก็ไม่รู้ละให้ใครยังไงบ้างก็แล้วแต่นะท่านก็แนะนําไปว่าเอาอย่างเช่นสมุทบางคนเนี้ยติดติดกินเก่งอย่างเนี้ยอา้าวท่านก็คงจะให้กรรมฐานอีกอย่างหนึง่งถูกไหมถ้ากินเก่งเนี่ยควรให้กรรมฐานยังไงดีถ้าติดเรื่องกินควรให้กรรมฐานแบบไหนให้อดเลยเหรอโอ้โห อย่าเพิ่งถึงอดเลยเอาให้ลดก่อนแล้วกันอาจจะลดลดมือลงมาลดจุบจิบใช่ไหมหรือว่าลดอะไรอีกลดรสชาติลงมาบ้างอะไรเงี้ยก็ให้ฝึกอย่างเงี้ยกรรมฐานของคนที่ติดเรื่องของการกินถ้าคนติดเรื่องการนอนอคนขี้เกียจคนอชอบว่วงชอบหลับชอบนอนกรรมฐานควรจะให้ยังไง ให้ตื่นแต่เช้าแมพูดง่ายอย่างเลยนีกรรมฐานเนี่ยท่านก็จะบอกนะคือกรรมฐานบอกแล้วว่าเป็นเป็นการพิจารณานะกรรมฐานเนี่ยเป็นการพิจารณาเพื่อที่เราจะรู้อย่างเช่นเราติดเรื่องหลับนอนเนี่ยพรกเจ้าอาจจะบอกเรื่องโทษภัยของการติดหลับติดนอนว่ามีโทษมีภัยยังไงบ้าง นะโอ้โหมันทําให้เราเสียเวลาทําให้เรายิ่งติดนิสัยทําให้เรายิ่งเสียการงานหรือทําให้เรายิ่งเสียนิสัยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกโทษภัยของการติดหลับติดนอนแล้วอาจจะบอกแนะวิธีวิธีแก้งว่วงใช้วิธีอะไรบ้างนะ เ, เ, เช่นยังไงเอาไม้ยงหูโอ้โหล่าอะไรอีกอา้าว เอาให้เดินไปเดินมาแก้งง่วงเอาอะไรอีกนั่นจำวิธีสุดท้ายได้แล้วถ้าแก่แก่เจ็ดวิธีนะั้นไม่ได้แล้วถึงจะไปนอนไปนอนที่วิธีหลังสุดนะอย่างแรกเลยอะไรอะ่ะคนเราเนี่ยที่จริงๆเนี่ยโหที่ง่วงเนี่ยเพราะอะไรอย่างแรกอย่างแรกเนี่ยที่คนเราง่วงอ่เพราะอะไร เพราะอะไรที่ทำให้โกรงง่วงหลีซึมลงไปอย่างเงี้ยอย่างแรกคือจิตเราเนี่ยมันไม่ยอมปรุงใช่ไหมมันไม่ยอมจะคิดอะไรอ่ะอเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็ต้องหัดเลยหัดให้ปรุงจิตขึ้นมาหัดให้คิดไม่ไหวก็เอาเอาพูดคุยกับคนข้างๆบ้างนั่นแหละหรือเดินไปเดินมาแงน่ะาตามํำนวนท่านก็แงน่าดูดาว อาจจะให้นับดาวบนท้องฟ้าก็ได้ไหมไม่แน่แล้วแต่นะหรือว่าอะไรให้บีบนวดเนื้อตัวเนี่ยต่างๆเราเนี่ยท่านก็จะแนะวิธีเนี่ยเยเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปใช้อย่างเงี้แหละเรียกว่ากรรมมาฐานนะเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปใช้เพื่อที่จะลดกิเลส ต, ตัวนั้นหรือว่าล้างกิเลส ต, ตัวนั้นลงไปได้เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็แนะให้ทั้ง30มสประลุนี้ไป ตอนนี้พอพอแนบไปเสร็จใช่ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เอื่อมระอาเบื่อหน่ายในภพทั้งหลายกลัวแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายข้าพระองค์ตัดข้าพระองค์ตรัสบอกกรรมฐานเพื่อบดเปื้องตนจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกข์อ๋อตอนนี้มาเข้าเฝ้าแงแล้วมาขอ นก็ขอกรรมฐานเนี่ยเพื่อที่จะปลดเปื้อนตนจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกข์แก่ข่าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระศาสดาก็ทรงบอกกรรมฐานที่เหมาะควรให้แล้วภิกษุทั้ง30รูปก็ถือเอาบาดและจีวร อ, ออกจากวิหารมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านป่าชายแดนด้วยตั้งใจเอาไว้ว่าพวกเราจะแสวงที่ จะสแสวงหาที่อันสงัดเพื่อเพ่งเพียรบาเพ็ญสมณธรรมให้ถึงที่สุดจบแห่งทุกข์ให้ได้พอได้กรรมฐานจากพุทธเจ้าแล้วก็เอาแล้วไปหาที่ที่คิดว่าอะไรเหมาะเหมาะที่จะบาเพ็ญสมณธรรมมันก็ไปเลยเดินทางไปจนถึงพวกชายแดนเลยชายแดนนี่หมายถึงว่าชายแดนของแคว้นนั้นนะนะนะอันนี้อยู่ในแคว้นโกศลอย่างเงี้ย ก็ชายแดนของแคว้นโกศนใช่ไหมก็เป็นอาจจะมีป่ามีเขามีอะไรต่ออะไรนะคิดว่าเหมาะแล้วก็เลยจะไปหาแหละในหมู่ภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติดสะแต่เพราะเป็นบุตรของกุดุมพีเข้าใจใช่ไหมกุดุมพีคือคนที่บงังคังร่ำรวยนะเรียกว่ากุดุมพี ในในิกษุทั้ง30รูปเนี่ยมีอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าติดสะนะเป็นลูกของเศรษฐีลูกของพวกกระดุมพีเนี่ยคนร่ำรวยนะก็เพราะว่าเป็นลูกของคนร่ำรวยนี่เองจึงถูกเรียกขานกันว่ากุด um, ุมพิกะปุตตะติดสะแหมแทนที่จะเรียกสั้นๆนะชื่อติดสะแต่เลยเรียกบอกว่ากระดุมกระดุมพิกะเนี่ยก็คือกระดุมพีนั่นเองกระดุมพิกะปุตตะก็คือ เป็นบุตรนั่นเองนแล้วค่อยๆตามด้วยชื่อชื่อของของพิสูรรูปนี้จริงๆก็คือติดสัเลยต้องเรียกซะยาวเลยกุฎุมพิกะปุตตติสสะทําไมต้องเรียกชื่อยาวอย่างนี้เพราะแสดงว่าต้องเรียกชื่อยาวอย่างเงี้ยเอาอย่างเช่นสมมุติลมนาลินเนี่ยปรากฏว่าเอา่อลมนลินลูกแม่สมมุตินะสมมุติ <laughs> ลูกแม่คืออะไรอย่างเงี้ยทาไมจะต้องเรียกอย่างเงี้ย แสดงว่ามีชื่อซ้ำกันหลายคนถึงได้ต้องเรียกอย่างนี้น ะ, อะตอนนี้ก็รู้กันแล้วนะชื่อท่านติดสะเนี่ยนิสัยเป็นผู้เกียดคร้านมีความเพียนซามมักติดใจในรสอาหารท่านมีความคิดขึ้นมาว่าเราไม่สามารถไปอยู่ในที่ยากลำบากได้เราไม่อาจทำร่างกายนี้ให้ผาสุกได้ด้วยบินทบาทที่ฟืดเคือง ฉะนั้นการไปหมู่บ้านป่าย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเลยเราจะกลับละพูดง่ายๆปิกสูทั้ง30รูปเนี่ยก็ไปสแสวงหาที่แล้วใช่ไหมเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียงที่แถวบ้านป่าเนี่ยนะชายแดนคือคิดกันว่าอย่างนั้นว่าเออที่แถวนั้นมันจะสงบดีปรากฏว่าพอเดินทางไปได้นั่นเองระหว่างทางที่เพิ่งเดินทางไปเนี่ย ภิกษุที่ชื่อติดสะเนี่ยพูดง่ายๆว่าขี้เกียจอะเป็นคนเป็นภิกษุที่เกียจคนะ้านแล้วก็ยังติดใจพวกอาหารการกินต่างๆเพราะนั้นพอรู้ว่าโอ้โหกำลังไปแสวงหาที่สงบสงัดที่มันแลนแค้นอยู่ชนบทชายแดนยากลำบากเนี่ยโอ้โหบินธบาทก็คงได้อาหารไม่ปนิษดะได้อาหารไม่อร่อยแน่พูดง่าย จะต้องลำบากฝึกเคื่องในเรื่องอาหารการกินที่พักรับนอนะอะไรต่างเพราะฉะนั้นพอคิดอย่างนี้เท่านั้นเองบอกโอ้โหไม่เอาอะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปอย่างนั้นนะสู้เราอยู่ในเมืองดีกว่าพูดง่ายๆภิกษุติดสจึงเลิกล้มความเพียรที่จะร่วมไปกับเพื่อนภิกษุแค่เดินทางได้นิดหน่อยเองก็ขอแยกทางกลับเสียแล้วพูดง่ายๆแค่เริ่มเดินทางไปได้นิดเดียวเท่านั้นเองอ บายบายเลยนะเพื่อนเพื่อนภิกษุด้วยกันนะแล้วก็ขอกลับเลยฝ่ายภิกษุเหล่านั้นนะก็เพื่อนเออภิกษุติศารที่ลากลับก็แล้วแต่ตามใจส่วนภิกษุที่เหลือทั้งหมดนั้นก็ก็พากันจาริกไปจนถึงหมู่บ้านชายแดนตำบลหนึ่งของแคว้นโกศลแล้วจามปรรษาอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งทั้งหมดขวนขวายภาคเพียรกันเต็มที่ อาศัยกรรมฐานที่พระศาสดาทรงแนะนําให้กระทาวิปัสนาโดยไม่ประมากทกระทาวิปัสนาเข้าใจใช่ไหมคําว่าวิปัสนาใครยังไม่เข้าใจไหนต้องยกมือที่คําว่าวิปัสนา <c oughs> <c oughs> ก็คือการที่เนี่ยอย่างเช่นพระเจ้าท่านสอนกรรมฐานมาให้ไหมว่าเอาคุณควรจะพิจารณาอย่างนี้นะเหมาะ ก, กับกิเลสตัว น, วนี้ตัวนี้ของคุณอ่สมมุติพระเจ้าท่านแนะมาอย่างนี้ ใช่มอันนั้นเป็นกรรมฐานพอท่านให้มาแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็เอามาพิจารณาเอามาตรวจดูเอามาตรวจสอบต่างๆว่าเนี่ยที่ท่านสอนมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้กิเลสเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เอามาพิจารณาด้วยกันแล้วเออจะลดกิเลสเรายังไงจับกิเลสเราได้ไหมแล้วก็ข่ากิเลสเราลงไปได้อย่างไงบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกวิปัสสนาวิปัสส น, นาไม่ใช่ เอาแค่อยู่ว ด, ดีก็คุณไปนั้งหลับตาแล้วก็นึกเอานะนึกเอาโอ้โหเราติดอะไรนะติดขนม อ, อะไรอะ่ะเอาสมมติว่าโอ้โหติดมันโทอร่อยเลยนะก็ทํามันโถฟักทองซะด้วยนะเอเสร็จแล้วเราก็ติดอย่างเงี้ยไม่ใช่ป่ะมานั่งพิจารณาอยู่แต่ไอตอนนั่งเนี่ยวิปัสสนาว่ามันโทไม่อร่อยมันโทไม่อร่อย <c oughs> แล้วก็พายาบอกว่าไม่กินไม่กินไม่กินมันไม่อร่อยเพราะอย่างอย่างนี้คืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสนาแห้งก็จะอย่างนี้เขาเรียกวิปัสนาแห้งยังไม่ใช่วิปัสนาสดแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จริงทีเดียวเพราะว่าคุณมาปั้นจิตคุณมานึกเอาคุณมาคิดเอาอะไอตอนเนี้ยเพราะคุณยังไม่ได้เจอหมันโถจริง กูมาปั้นในจิตคุณราว่ามีปัชนาของจริงและของแท้เนี่ยคุณต้องเจอของจริงเลยคนนี้สมมติว่าคุณเดินไปหน้าวัดอย่างนี้เอาละโอ้โหนะเห็นล้กองอยู่ข้างหน้ายิ่งเขาหนึ่งมาใหม่ๆนะโอ้โหควันลอยหนะ้าลมพัดมาเข้าจมูกเราโอ้โหคราวนี้แหละรีบวิปัสนา <c oughs> นะ่าจเผลอใจนะรีบวิปัสนาไว้ๆเลยโอ้โหเพราได้กลิ่นเขาหอมเข้าไปใช่ไหม ถ้าคุณเผล่นะมันจะปรุงไปทันทีเลยโอ้โหหอมจังเลยแหมวันนี้เรายังไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ, อะไรอะซื้อไปสักหน่อยก็ได้เอาไปกินในมื้อเราอะไรเงี้ยนะลูกเดียวไม่พอวันนี้ต้องฉลองเอาทักษะสามลูกอะอย่างเงี้ยถ้าคุณคุณไม่ทันเนี่ยมันไปละนี่ใจมันเผลอไปแล้วนะคุณเสร็จคุณเสร็จไอ้มันโถไปแล้วนะ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิปสัสนาไม่ทันไม่ทันแล้วแพ้ไปแล้วเรียบร้อยนะถ้าถ้าคุณแพ้มากกว่า น, นี้เนี่ยเสร็จแล้วคุณไปซื้อเอามาตินเรียบร้อยแต่ถ้าบอกว่าถ้าไวเงี้ยตอนที่คุณไปเห็นไปเจอปั๊บเนี่ยกิเลมจะเกิดขึ้นมาคุณก็รู้ละจับได้เลยแล้วก็รีบวิปสัสนาเลยใช่ไหมเห็นโทษภัยของมันเห็นอะไรอะ่ะ โอ้โหความที่เราติดมาแล้วเราทรมานทรกรรมยังไงเวลาโหยหาอะไรอาวรคิดถึงมันเนี่ยเนี่ยคุณรีบวิปัสสนาขึ้นมาเลยอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาสดถึงจะเป็นวิปัสสนาที่ที่อะไรอะชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยวิปัสสนาแห้งเก่งมานั่งสู้เงี้ยนะเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวเองชนะวันคนจํานวนเยอะเลย ที่ไปไปนั่งหลับตาทีา่ทั่วทั่วไปเขาเรียกทําสมาธิอ่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยลากิเลสอนนันใดไลากิเลสอันน้นได้คิดเอายังไม่ใช่ของจริงถึงบอกว่าพอเวลาไปเจอจริงเขา้าสู้ไม่ได้แพ้แล้วก็กินได้นั่นกินได้นี่เผลอๆนี่หลอกตัวเองอีกนะรู้ไหมว่าเขาหลอกว่ายังไงเขาหลอกว่าเขาอะชัดแล้วเขาเข้าใจดีแล้ว เขาว่าเขากินโดยไม่มีกิเลสไปโน่นเลยล่ะคุณอ่ากินด้วยจิตว่างไปเลยเพราะเวลาเขามานั่งทำสมาธิเขาหลับตาเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็ว่าเขาล้างมันได้อะแต่พอจริงๆเขาเขากินมันไงอาตมาถึงบอกเ น, เ, น เ, น เ, นเนี่ยเนี่ยหลอกตัวเองแล้วก็โกหกตัวเองอยู่ทั้งที่จิตความเป็นจริงยังทำไม่ได้ฮอถึงบอกวิปัสสนาของจริงเนี่ยต้องมีภาษาเป็นปันจจัย ถ้าเป็นของจริงของแทนนะคุณจะรู้ว่าคุณบรรลุไหมเนี่ยต้องเจอของจริงแล้วถ้าคุณสอบผ่านได้ถึงจะถือว่าคุณวิปัสนาได้ถูกต้องชัดเจนเพราะถ้าคุณพิจารณาได้ถูกต้องชัดเจนแล้ว น, นแล้วคุณตัดใจไปได้คุณลดละกิเลส ต, ตัวนั้นไปได้บอกได้เลยว่านั่นแหละคือการรู้แจ้งทันทีคือการตัดสลูในสมมติว่าถ้ามันโถเนี่ยคุณสามารถตัดสลู้มันโถได้เลย แต่ต้องตัดสลุตอนคุณเจอจริงๆเลยนะคุณเจอจริงๆเลยแล้วคุณก็ถอนกิเลสคุณออกไปได้ไม่ไม่ติดใจมันไม่ต้องไปชอบใจมันไม่ไปลากมันไม่ไปต้องไปกินมันเล่นอร่อยอร่อยอะไรเลยนั่นแหละอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าตัดสลุหรือว่ารู้แจ้งนะแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เป็นของจริงก็ปรากฏว่าภิกษุทั้ง30สรูปเนี่ย เนี่ยก็ไปบำเพ็ญวิปนะัสสนาในพรรษาสามเดือนนั่นเองก็สามารถก่ออัศจันดังปัตภีบรรลือลัน่นบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้แล้วปรากฏว่าตอนนี้อ๋อไม่ถึงส0สิรูปสิใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เหลือ29รูปปรากฏว่าโอ้ไปบำเพญ็ญนะวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลย ทั้งย9ิบเก้าลูกนะ่นในช่วงพรรษาสามเดือนนั่นเองง่ายจังเลยนะนี่เราก็เข้าพรรษามาสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วนะเออใกล้ๆจะออกพรรษาอยู่แล้วนะไม่รู้ขายบรรลุอะไรไปแล้วบ้างกันปะโจ <c oughs> ล้วเนี้ใครตั้งตบาไว่ายังจำได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยบางคนอาจจะลืมตะบาวไปแล้วมั้ง <c oughs> บางคนมีมามาบอกว่าท่านตบา ท, ที่ตั้งไหมนะ ขอล้มไปแล้วแต่ดีบางคนก็ยังอะไรอ่ะบําเพ็ญอยู่บางคนก็ยังเข้มแข็งนะทําได้อย่างดีอานนี้พอออกพรรษาแล้วหลังจากออกพรรษาภิกษุทั้งหมดนั้นจึงเดินทางกลับสู่วิหารเชตวันเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วกราบทูลมรรคผลที่ตนบรรลุทั้งยังขอไปอาศัยอยู่ชายป่านั้นคือบรรลุธรรมแล้วเนี่ย แต่ยังคิดว่าอยู่ที่ชายป่านั้นแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็เลยมากราบเรียนให้ผู้เจ้าทราบแล้วก็จะขอว่าไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นเลยนะเพื่ออะไรเพื่อเผยแผ่ธรรมะในหมู่บ้านชายแดนต่อไปพระาศาสดาทรงสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นและทรงอนุญาตทั้งหมดจึงถวายบังคมพระาศาสดาเตรียมเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุกุดุม พิกะบุตตาติสสะได้เห็นพระาศาสดาตัดสรรเสริญเพื่อนเพื่อนภิกษุของตนแล้วบังเกิดความปรารถนาบำเพ็ญสมณะธรรมให้สำเร็จมรรคผลบ้างเพราะตัวเองยังไม่ได้เนี่เพื่อนเพื่อนนะ29่รูปสำเร็จหมดแล้วแล้วยิง่งโหผู้เจ้าก็ยกย่องสรรเสริญใช่ไหมก็เลยอยากได้มัง่งในคืนนั้นเองจึงเพ่นเพียรอย่างเรียกว่าอะไรยัง อย่างหนักเลยตลอดคืนโอ้พราะเพื่อนบรรุแล้วอะ่ะเพราะนั้นไม่ได้อะ่ะจะต้องทำให้ได้ละไม่ยอมพักไม่ยอมนอนอาศัยการยืนและเดินจงกรมพิจารณาทำกลัวง่ายว่าคืนนะั้นไม่หลับไม่นอนเลยนะอาศัยยืนบั่งเดินมั่งนะเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมเข้าใจไหม อย่าไปเข้าใจผิดนะบางคนเนี่ยชอบเข้าใจว่าเดินจงกรมคือเดินเป็นวงกลมเดินไปวงกลมมระวนนะเวียนหัวนะบอกให้รู้ไว้แล้วก็เขียนเขียนเขียนมาตามนั้นด้วยคือเขียนกลมอบบว่ากอไก่ลอลิงแล้วก็หมอมา้าไม่ใช่จงกรมเนี่ยคําว่ากลมเนี่เขียนว่ากอไก่รอเรือแล้วก็มอมา้าจงกรมเขียนว่าอย่างนี้ไม่ใช่เขียนจงกรมเป็นวงกลม นั่นนะพระเขียนผิดด้วยนะก็เลยไปเข้าใจผิดว่าเดินจงกรมก็คือเดินไปวงกลมนะปรากฏว่าหัวหมุนมาหลายคนแล้วน่าบอกให้รู้ไปเดินไปวงกลมเนี่ยการเดินจงกรมคือการเดินไปเดินมาเดินเป็นเส้นตรงเนี่ยแหละไม่ต้องไปวงกลมหรอกเดินเป็นเส้นตรงเนี่ยไปมาแต่เดินยังไงจงกรมมีความสาคัญอยู่ที่เดินยังไงเดินอย่างมีสติสติ เป็นยังไงล่ะสติจเจริญวิปั ส, สนาอยู่นั่นเองอจเจริญวิปั ส, สนาคือคิดพิจารณานกิเลสแล้วก็อะไรต่างๆเพื่อที่จะลดละให้ได้นะอันนี้เ็าเรียกว่าเดินจงกรมก็ปรากฏว่าภิกษุติดสะนี่ก็เดินทั้งคืนเลยคนนี้หรือยืนทั้งคืนเลยจนกระทั่งถึงเวลาเช้ามืดโอ้โหพูดง่ายๆว่าเอาหนักเลยนะคราวนี้ เพราะเพื่อนได้แล้วเนี่ยตัวเองจะแพ้ก็แล้วหละเพราะนั้นต้องเอาให้ได้มั่งปรากฏว่าก็เดินทั้งคืนเนี่ยจนกระทั่งชักอะไรชักง่วงก่ะซิก็เผลอหลับด้วยความง่วงและอ่อนเพลียพัดตกลงมาจากลานจงกลม <laughs> โธเอ๋ย <laughs> ทำให้กระดูกขาแตกได้รับความเจ็บปวดทรมานยิ่งนักเพื่อนพิสูานั้น นะ่าต้องพากันมาช่วยเหลือดูแลจนต้องชะ ง, งักการเดินทางเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่เดินจนถึงจะรุ่งเช้าอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมคือภิกษุยี่สิบเก้ารูปนั่นน่ะเตรียมจะเดินทางก็ก็เนี่ยตอนเช้าจะเดินทางปรากฏว่าเพื่อนมาขาหักขากระดูกขาแตกซะแล้วอะ่ะเพราะนั้นก็เลยมาช่วยกันดูแลเพราะเป็นเพื่อนกันเน่ะนันะเป็นเพื่อนพระด้วยกันก็เลยก็เล ย, ก, เลยก็เลยไม่ได้เดินทางเลย ครั้นพระศ า, าสดาได้พบภิกษุเหล่านั้นอีกคือภิกษุเหล่านั้นเป็นลาผู้เจ้าเมื่อวานแล้วใช่ไหมเพราะว่าจะเดินทางช้ามืดก็เลยไปลาเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเย็นวานแล้วลนี่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาเจอภิกษุทั้ง29รูปอีกจึงตรัสถามว่าพวกเธอบอกลาแล้วเมื่อวานนี้ว่าจะพากันไปในเช้าวันนี้ไม่ใช่หรือเช่นนั้นพระเจ้าข่าก็แต่ว่าท่านติดสหายของพวกข้าพระองค์ รีบเร่งบำเพ็ญสมณะธรรมเกินไปในเวลาอันไม่เหมาะควรจนถูกความง่วงครอบงำพระตกจากที่จงกรมถึงกระดูกเท้าขาแตกนี้เป็นเหตุให้พวกข้าพระองค์จำต้องงดเดินทางไปนนั้นก็รายงานให้พู้เจ้าทราบ พ, พระาศาสดาทรงสดับอย่างนั้นแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ ก็เคยเร่งร้อนกระทำความเพียนผิดเวลาเหตุจากความเกียจคร้านของตนได้ทำลายการเดินทางของพวกเธอมาแล้วพวกภิกษุนั้นกราบทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องนั้นมาตัดเล่า